ทมทั้งหลายเหล่าใดจัดจำแนกเข้าฝ่ายเอ่อเข้าไปในฝ่ายดำรงอยู่กล่าวคือตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งการตั้งมั่นแห่งสติตามสมควรแก่ธรรมนั้นฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเชื่อว่าทิติภาคยะอันเป็นไปในส่วนแห่งการดำรงอยู่คือเจริญแค่ไหนก็ทรงอยู่เท่าเดิมะนะไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยก็เหมือนกันว่าอย่างเช่นนะ เมื่อไรเมื่อไรก็ศีลห้าอยู่ทั้งปีไม่เคยรักษาแปดศีลแปดบ้างเลยสักครั้งไงนะอันนี้เรียกว่าแอทรงอยู่ได้ตั้งนานทรงกระเสื่อมนะนะทรงกระเสื่อมทรงกระเสื่อมก็ห้าไปตลอดเนียนะจะริญนขึ้นก็แปดบ้างอย่างเงี้ยนะจเริ่นขึ้นละถ้าเป็นพวกวิเศษศาสภาคยะล่ะธรรมะทั้งหลายเหล่าใดจัดจำแนกเข้าในฝ่ายคุณวิเศษด้วยสามารถแห่งการบรรลุ ค, คุณวิเศษเบื้องบน ธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าวิเศษภากยะเจริญขึ้นเจริญขึ้ น, นถ้าได้ปฐมฌานแล้วก็ก้าวหน้าไปเป็นทุติยะฌานก้าวหน้าไปหาตาติยะฌานเจริญขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าวิเศษภากยะเจริญขึ้นเจริญขึ้ น, นส่วนนิเพทภากยะก็คือทําใดย่อมชําแรกย่อมทําลายกองโลภะโทสะโมหะซึ่งยังไม่เคยชําแรกไม่เคยทําลายฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นชื่อว่านิพเทะผู้ทําลาย ผู้ทำลายนี่หมายถึงอริยมรรคไงตัวที่ทําลายราคะโทสะโมหะหมายถึงอริยมรรคธรรมะทั้งหลายเหล่าใดย่อมจักจําแนกเข้าไปในฝ่ายทําลายคืออริยมรรคนั้นด้วยสามารถแห่งการตั้งขึ้นด้วยสัญญามนาุษยการอันสหรคตด้วยนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่านิเพทะภาคียะหมายถึงว่าตัวอริยมรรคใช่ไหมเป็นตัวทําลายราคะทาลายโทสะทําลายโมหะ กุศลใดละ่ะที่เป็นปัจจัยให้อริยมรรคเกิดกุศลนั้นก็ต้องเป็นนิพพิธานิพพิธาเนี่ยเป็นใกล้ๆต่ออริยมรรคนะเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมรรคแห่งวิปัสสนาแห่งมรรคเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่านิเพทะภ า, าเคียเช่นได้ปฐมฌานก็พิจารณาปฐมฌานโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา หรือเจริญเมตตาจนเมตตาเป็นฌานเป็นต้นก็พิจารณาเมตตานั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้แหละอยู่ในกลุ่มนิเพทภาคียะที่เป็นไปเพื่อการชำระ ก, กิเลสภักคียะทำสี่นี่ก็สําคัญมากนะเอาไว้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการเจริญกุศลว่ากุศลของเราที่เจริญอยู่นี่ดูท่าดูท่าใกล้จะเสื่อมหรือว่าทรงอยู่ หรือว่าจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นหรือว่าใกลบ้บรรลุแล้วใกล้แล้วนี่ทารู้ว่าใกลบ้บรรลุจะยิ้มไหมเนาะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กลัวแล้วเกินบรรลุเนี่ยงั้นทั้งทั้ี่ยังไม่รู้เลยบรรลุอะไรอะ่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูสัพเพสังขาราคือสังขารทั้งปวงเนี่ยนศัพ์เกี่ยวกับเรื่องสังขารสังขารเนี่ยนมีหลายความหมายนะคําว่าสังขารเนี่ย คำว่าสังขารทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมะอันเป็นไปกับด้วยปัจจัยทั้งปวงก็คือสังข า, งขารธรรมทั้งปวงอ่ะนะคือธรรมที่เป็นธรรมที่เกิดด้วยปัจจัยทั้งปวงอ่ะก็ธรรมะเหล่านั้นชื่อว่าสังคตรธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยตรุงแต่งธรรมเหล่าใดอันปัจจัยทั้งหลายตรุงแต่งขึ้นฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสังขารนั้นคำว่าสังขารกว้างกว่าแบบไทยๆเขาพูดนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ คนโดยมากก็จะคิดถึงแต่รูปอย่างเดียวใช่ไหมคิดถึงรูปอย่างเดียวแต่คําว่าสังขารนี่กว้างบอกว่าทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะอมความกว้างมากรูปธรรมและอรูปธรรมที่เป็นไปในภูมิสามอัตถาท่านกล่าวว่าอภิสังคตะสังขารเพราะเกิดแอกรรมคือถ้าถ้าสังคตะสังขานเนี่ยอภิสังคตะสังขานเนี่ยนะเน้นเฉพาะอะไรวิบากและ กรรมชรูปคือสังขารเนี่ยมันมีความหมายกว้างอะนะเนอ่ยอภิสังคตะสังขารก็เรียกว่าสังขารแต่เน้นไปที่วิบากกับกรรมชรูปไอ้วิบากกับกรรมชรูปก็ยังอยู่ในสังคตะสังขารสังคตะสังขารคืออะไรคือสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังคตะสังขารเช่นพุทธพจน์ที่ว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออันนี้เรียกว่าอะไร เรียกว่าสังคตะสังขารอภิสังคตะสังขารหมายเอาเฉพาะวิบากกับกรรมชรูปส่วนสังคตะสังขารหมายถึงสังขารในภูมิสามอย่างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคํานี้หมายถึงสังขารในภูมิสามเนีเพราะว่าโลกุตระธรรมไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสนาอยู่แล้วส่วนสังขารทั้งหลายองค์ธรรมได้แก่กุศล อกุศลเจตนาในภูมิสามมีอวิชชาเป็นต้นมีแล้วในคําเป็นต้นว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้ตกอยู่ในอํานาจอวิชชาย่อมตกแต่งสังขารอันเป็นบุญและสังขารอันเป็นบาปอันนี้หมายถึงอภิสังขารอภิสังขรณกาสังขารอภิสังขารณกาสังขารหมายถึงเจตนายี่บเก้าอภิสังคตะสังขารเนี่ยหมายถึงด้วยบากกรรมมาสรุปใช่ไหมสังคตะสังขารหมายถึง สังขารในภูมิสาอภิสังครนากะสังขารหมายถึงเจตนา29คืออกุศลเจตนา 12. มหากุศลเจตนา 8. มหคตะเจตนา9ส่วนประโยคาภิสังขารคือความเพียรอันเป็นไตาทางกายและทางใจเหมือนอย่างคำเป็นต้นว่าคติแห่งอภิสังขารมีอยู่เท่าใดก็ไปเท่านั้นเหมือนกับถูกตรึงตั้งอยู่อันนี้เรียกว่าประโยคาภิสังขาร อันนี้หมายถึงวิริยะเจตสิก น, นะวิริยะเนี่ยความเพียรทางกายและทางใจเรียกว่าประโยคนข้าพิสังขาร น, นะปรุงแต่งประโยคข้านะก็หมายถึงความเพียรทางกายและใจนะก็มีสังขารอย่างอื่นอีกเช่นสังขารที่เรียกว่าวาจีสังขารหมายถึงวิตกวิจาร์ที่ปรุงแต่งวาจาอย่างในจูรเวทะละสูตรที่กล่าวว่าดูก่อนวิสาขาอุบาสกผู้มีอายุ เมื่อพิสูจนเข้าสัญญาเวตะยิตะานิโรธวจีสังขารดับก่อนแต่นั้นกายสังขารดับต่อ น, นั้นตปจิตสังขารจึงดับนี้จึงเรียกว่าวจีสังขารวจีสังขาร น, นี่หมายถึงอะไรหมายถึงวิตกวิจารเพราะคนเวลาจะพูดนี่ก็อะไรเกิดก่อนวิตกวิจารน่นะกายสังขารคือลมอสซาสปัสซาส ลมหายใจเข้าหายใจออกย่อมแต่งกายนี้เรียกว่ากายยะสังขารสัญญาและเวทนาย่อมตกแต่งจิตจึงชื่อว่าจิตตะสังขารหันคําว่าสังขารเนี่ยนะข้อแรกก่อนนะสังคตะสังขารสังขารคือทิ่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะสังขารสองอภิสังคตะสังขารคือวิบากและกรรมชรูปในภูมิสาม อย่างที่สามคืออภิสังครฆะสังขารหมายถึงเจตนายี่สิบเก้าส่วนประโยคาภิสังขารได้แก่ความเพียรทางกายและทางจิตวจีสังขารคือวิตกวิจารกายาสังขารคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาในที่นี้ประสงค์เอาอนิจจาวัตสังขาราสังขารในภูมิสามไม่เที่ยงหนอ ก็คือทั้งรูปประธรรมทั้งนามประธรรมถ้ารูปก็ทั้งสี่สมุธฐานถ้านามก็ทั้งกุศลอกุศลวิบากและกิริยาทั้งหมดไม่เที่ยงหนอที่ชื่อว่าอา น, นิจจาไม่เที่ยงเพราะอธิบาว่ามีแล้วกลับไม่มีนะจากเดิมนี่ไม่มีหรอกพอมีแล้วก็หมดไปนะของเราเนี่ยนะก่อนวันก่อนที่เราปฏิสนธิเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีเรามาก่อนไหมเคยมี น, นี่ไหม หลังจากนี้ไปหลังจากจุติไปแล้วสิ่งเนี้ยขันอันนี้จะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปชั่วคราวนะเป็นทุกข์เพราะท่าว่าเบียดเบียนปีละนะเบียดเบียนเนี่ยนะเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนก็สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันมีสภาพที่เบียดเบียนส่วนสัพเทธรร ม, มาเนี่ยนะ ท่านกล่าวรวมเอาพระนิพพานเข้าไว้ด้วยในศัพท์คําว่าธรรมะธรรมะธรรมะตัวนั้นเนี่ยคือทำในภูมิสี่ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอํานาจใครมีอํานาจในนิพพานบ้างเสกให้ทุกคนเห็นนิพพานหมดเลยทําได้ไหมไม่ได้เพราะนิพพานก็เป็นอนัตตาเพราะถ้าไม่ปฏิบัติโดยถูกต้องโดยชอบจริงๆก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะนิพพานก็เป็นอนัตตา แต่อย่าลืมว่านิพานที่เป็นอนัตตาเป็นเป็นสัจชิกาตประธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งพันศึกษาอนัตตาเนี่ยเอาให้ดีนะไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้อนาตตาไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้ตกลงเมื่อรู้ว่าเป็นอนัตตาทําได้หรือไม่ได้กันนี้ทํำยังไงทําอะไรทําทํำยังไงก็ต้องแยกว่านะว่าอนันว่าอันนี้เป็นปริญญาธรรมนะอะไรบ้างที่เป็นปริญญาธรรม อ่ะนะนก็คืออุปาทานขันห้าเป็นปริญยาธรรมใช่ไหมแล้วบางส่วนอ่ะนะความเข้าใจผิดหรือบาปอกุศลที่อาศัยอุปาทานขันห้าเกิดอันนั้นสิ่งที่ควรละที่สุดแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้ควรทําให้แจ้งอนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปที่กําหนดรู้สังขารละกิเลสอันนี้ควรควรเจริญเพรา ะ, ะคําว่าอนัตตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยเฉยก็ทําทั้งกวงมันเป็นอนัตตาจะไปทําอะไรมัน เนี่ยนะศขาดก็อนัตตาเอาไหมเอามันอัตตาที่ไหนอ่ะก็อนัตตานั่นแหละไฟไหม้บ้านก็อนัตตานะอัตตาไหมแต่ถ้าปล่อยให้ไหมละ่ะเนี่ยอนัตตามันจะโวอดาวายอะไนี้เพราะฉะนั้นก็คําว่าอนัตตาในโลกนี้ไม่ได้แปลว่าทําอะไรไม่ได้แต่ให้แยกแยกให้เป็นทีนี้ต่อไปว่า อนัตตาที่บอกว่าไม่เป็นไปในอำนาจคือไม่มีอัตตาผู้เป็นอำนาจอย่างอย่างแท้จริงอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยนะนะคําว่าอนัตตาเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นท่านใช้แทนคําว่าสุญญาตาสุญญาตาเนี่ยแปลว่าความว่างอย่างที่เรียกว่าหม้อว่างเนี่ยหม้อมีไหมมีมีอะไรในหม้อไหมไม่มีก็หม้อมีมีแต่ความว่างนะหม้อมีอย่างแก้วว่าง ก็คือแก้วแก้วไม่ม no ีอะไรใส่ในแก้วอ่ะแต่แก้วมีอยู่ทำทั้งกวงเป็นอนัต tago เหมือนกันอย่างจิตเนี่ยมีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในจิตเจตสิกมีอยู่แต่ไม่มีใครมีอยู่ในเจตสิกรูปขันมีอยู่แต่มีใครอยู่ในรูปขันไหมยไม่มีนะเวทนาขันมีอยู่แต่ไม่มีผู้ใดอยู่ในเวทนาขันเป็นต้นอย่ังไงแหละเรียกว่าเป็นอนัตตาเนื่องจากไม่มีใครอยู่ในนั้น เพราะขันเหล่านี้ก็ไม่ไม่มีใครอยู่ในขันแล้วขันเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใครเนี่ยนะแต่ก็เป็นนี่แหละเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่เป็นอัตตาของผู้ใดทั้งนั้นแต่อย่าลืมนะว่าก็มาจําแนกเองนะเพราะองค์จําแนกอนัตตาเหล่านี้บางอย่างเป็นกุศลบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอพยกตตออพยกตะยังแบ่งเป็นวิบากจิต แบ่งเป็นกิริยาจิตแบ่งเป็นรูปรูปก็แบ่งตามสมุธฐานไปอีกนะก็จำแนกไปตามนั้นนั้นไปอันอนัตตาเหล่านั้นเนี่ยก็ประพฤติไปตามนั้นให้สมควร